เทศบรมพระวันที่สิสิงหาคม2521นี่ิเนเทศเรื่องขลังเทศอย่าเห็นอะไรยิ่งกว่าธรรมจะถูกกิเลสหล่อเครื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ถามหาพระนิพพานเพราะพอตัวอยู่กับจิตแล้วอย่าหาความขลังจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่จิตหาความขลังไม่ได้ จงสร้างความศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ใจนี้อวิชชาคือนางบังเงาคือนางงามจักรวาลยอมรับอาทิตย์ปริยยะสูตรและด้านอนัตตลักษณะสูตรว่าไม่สมบูรณ์กันนี้เทศถึงที่สุดดีมากใครฟังอัดได้กันนี้ไม่มีพูดหมดเทพพอดี เป็นอ่าจะเทียบเป็นคนละโลกอยู่แล้วนจะอยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็จะเทียบไปมุดก็บนั้นก็เป็นอันหนึ่งเสียเขาจะว่าว่าโลกหนึ่งผมมันขัดตอธรรมชาตินี่มันพูดไมออกก็บอกได้แต่ว่ารู้ทั้งรู้ก็รู้ที่เสีย่โลกก็โลกเสียมันมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลย ไอ้จงที่เท่ากับที่นี่ดินน้าลงไปมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่อดอาศัยแล้วมันจําเป็นอย่งไรมันก็อาศกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าที่ไม่หวังเอาอะจากกันแหลกพินมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันเรื่องหนี้ทัดพระราบเป็นจากการทานี้จอมยุ่งไล้ไร้ยี่จะต้องรับผิดชอบมันพาเดินพาเดินพานอนพากลับพากลาย กระดิดพิการอะไรล้วนแล้วแต่ทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ทําเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทําเพื่อมันแล้วอแต่พูดให้มันเต็มไม่เต็มเหรอตัวพอตัวแล้วที่จะทําอะไรให้เสริมอีกไม่ได้มีเท่านั้นก็ยังอยู่คีวิตอยู่ครองขันอยู่นูนก็พอตัวไปแล้วกตจะเอาอะไรมาปอีกอีกจะไหาบุกฟองที่ไหนอีกบุกฟองยังเหลือเมื่อปัจจุบันก็บุญจนที่แล้ว อนาคตอดีตมันไแจะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละไมัเชื่อจะพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของพิเศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมแต่เห็นนั่นจะดีเห็นีจะดีมีเป็นเครื่องหลอกนะทําจิตใจให้อ่อนแอความเพียนก็ด้อยผลอีอเป็นเกิดขึ้นจา่ความเปลียนก็มีน้อย ทุ ài, đây, à, ่มลงไปพุ่มลงไปอย่าหวังขึ่งอะไรนอกจากทํเองเดียวเท่านั้นนั่นแหละเอ็มเลยเต็มเราอย่าได้ยินไม่ฟังบุกเบื่อทนาไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจลตายยวนตายหรือเปล่าเป็นไงยวนตายเป็นไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจงนีงก็ยวน องให้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนแกวตาอยู่บนตาเหมืนเงียือยู่บนตาสิ่งของละเอียดมากแง่จะมีสิ่งควบคุมม <Yeah. S 2> ีส <h tempor aire> ิ really IR ่งบังคับเพื่องันหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแค่ก้องตัวอยู่แค่นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าิตไม่มี ทำลงไปเวลานันฝึกจิตจนเสร็ดได้งานนี้งา น, น, นสําเร็จเจะขึ้นไป้ลยวยกำไรผลกำไรไปเลยไม่มีการสถานที่อันนี้พบมันมีชาตได้เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งอยู่มุ่งเาเหมือนเด็ก่นอนไปิพพานหรือไปนิพพานปัญหาเราขอให้ตัวใจเราไม่ไปสิ่างเดียวกันพอพอทุกสิ่งทุกอย่างไป น, น, น, นิพพานหรือไปนิพพาน คือกามีครูอยู่นัะตัวรู้อย่กันหรือไม่หรือม่าหรือ่มีอะไรมันไม่มีปัญหาระนันอันนี้พูดเรื่องความดุนเดาตัวความสงสัยรู้จึงแล้กดังที่เกี่ยงเลยพันดาท่านพุดขึ้นกายพิเแล้วทรู้ปนิพัน์อย่างแต่มีใจ่า ง, ง น, น่นะแต่ขีเกียจตั้งนั้นนี่ไมันก็ยังนั่งอยู่จริงไม่เห็นผิดอะไรนะทนรนั่ง้เกียจจผมชื่อ เมือนลรับทางอิ่มเต็มที่แตไปตั้งขี้มันละไอิอ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แ้เท่านั้นไงไปตั้งมันจะเริม่มมลานไะตั้งขีมันอิ่มนี่ลักษณะงั้อิ่มนีลักษณะนี่ละกวา้างแคบไนันก็กว้างสอบยาวานาคืึอยูนี่ในวงความ อ, อิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพางร่างกายไยคือก็อิอ่มทั่วจิตโดยสุดทั่วถึงจิตตรนั้นเท่านั้นเอง บางๆเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้แต่นนเป็นวงประทานจะหมดไปนะคอ่ขุขดคอ่ด่วนเข้า่าขุดด่อนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติเงินเอียงไปสู่โลกแล้วเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมอืมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะ หาความขังไว้แล้วึ่นอกเลธินอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่โรงคุณสอนไว้ก็เป็นลยนั่นนี่เองวนนั้นขังวันั้นผู้ีขังทางนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขังทำจิตทำไมขังเถออยู่ไหนะบายคนรับถือไม่รับถือมันก็ไม่ไม่เอือ้องไม่หวิวไม่หอย ข้นับถือก็เป็นข้อใจที่ใส่ที่ยันใสเป็นที่อ่มงคลของห้อใจเขาว่าถ้ามีจิเยียนก็เป็นอัตบุมงคลของห้อใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เราอย่างนี้แล้วเราก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแก่เราเหมือนรับทาบก็สัจธรรมรับทราบรับทราบแล้วผ่านได้ผ่านได้อะเท่านั้น จะนับถือเลยจ้ของไม่นับถือเจ้าของแยกกุลิบมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของแยกกุลืบไมาย่อมย่อมีนมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีแยกกุลิบก็มาชมมาเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมจะสอนลงที่จุดนี้ทําเจ้าของให้ดีเช่อถูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นําดับล่างๆจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ยไม่เอาความีิเกศษวิโสความ สักความครั้งมาจากอะไรภายนอกภายนาที่ไหนนี่หม็หนทำหลักทำบ่นแล้วก็ไล่เขาไปเขาโม้เส้นหนาสนัแน่ฟังยังเตือทั้งหลายป็นดาวที่หมดแล้วอยู่ตามล่มงมล้มไม้แช่งปาดอะไเขาเป็นที่สงบสบายในการบำเพ็ญธรรมนะเห็ น, นบอกให้ไปยุ่งไปยุง่งไปหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่า ขาคันหักเก้าในที่ในขันไม่ถลอกปอกเปิดขออกมาดีไม่ดีก็เป็นหมาที่เลื่อนหมาขี่เลื่นกับพักที่เรืน่นผิดกันยังไงเรือนขี่เลื่นออกมาเหมันก็เป็นหมาล่อนแกนหมากแก่นร่อนพ้าแก่นล่อนเป็นยังไงถลอกปอกเปิดสิ่งสําคัญไม่สนใจไปสนใจน้องห น, นาน้น มันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมฐานเลยนะเราจะหาผลพันธุ์มานริงที่ไหนหาอะไรก็ได้นั้งนี้โลกมีอยู่หาสิเดชมันก็ได้สิเดชเบื่อข้ามาด้วยจะถอนสิเดชนั้นกลัมาสั่งสมสิเดชหนึ่งแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาธนาสิเดชยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่าเนเลยพองเฉย ตัวเท่าอินีอ่านพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เลยเาตรงนี้ยี่ตรงมันจริงตัวนี้เอาเขาหลวงพผีตัวหลวงพอวัดปฏิบัติด้วยความมีสติกระจามเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความสติยิ่งจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักที่ไหนจะไม่เห็นความสติยิ่งอันแค่จริงประจักษ์ใจ ถ้ามันสร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างทุกตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีในในใอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วเขาภัยทั้งหมดไปหมดไปที่เหลืตัแล้วเนี่นไรมัหมดไปห ม, ปไมดไ ป, ดไปนี่ก็มีความสังหาผ่ากผยขึ้นมาสว่าง ก, าก ร, ระกจะาะ่จะางแจ้งขึ้นมาทีา่เหลืหมดไปแลกวจะหาตอนนั้นเองเราจะหาความพิเศษมากจากไหนเองดีไรก็มีพิอยู่แล้วถ้าจะว่าพิเศษ ท่านก็ไม่เสกันไปอีกเหมือนกันที่เกียรติเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่อยากพูดนั่นกบับคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังเขาเรีนับถือบ้างอะแล้วอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทําพอดีไม่ใช่ทําเพียงพอทามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักหนักเบาบ้างน้อยควพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายอืมเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจ ใครจะถามปัญหาถามอะไเป็นการลองเตือมั้งหรืออร่อตามโลกมันมีคนมายาเพอกิเลสบังคับหัวใจให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นด้วยะเมื่อเราไม่มีสิ่งที่้าให้เติมเราไม่เป็นเด็ด ต, ตอบล้วก็ต่อบไม่ตอก็เสียเียเขาก็ดิน้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิน้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเอาเนี่ ย, ยมันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเรา แน่ๆคำหลักเขาอทำจะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่อเจ้าของแล้วคอบปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของโดยสติาากำนาศร้าความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจมันมีสิ่งได้ละ่ะในโลกนี้คือมีคุณค่าประเสริญยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมคืนเป็นอันเหนือเดียวกันย่อนั่นละ่ะความเลื่อนอยู่ ง, งนั้น มการประกอบความภาคเปลยนก็ต้องมีความลมบากลงบนเป็นธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าเองเป็นผูจของศาสนารงสรุทถึงสามหกนั่นฟังด้นถ้าพระองค์ไม่ทรงลำบากเนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างนี้พอที่จะตำหนิพระองค์ องค์รั์อบเบียบมันลาสัตโลกโรงมันเป็นู่เดียวไดเสมอโลกทั้งายพระองเป็นแทบตายก็ไม่ได้แต่นี่พระงสรบปทั้งสามหมดทุกคือไม่ทุกสามวงคางองค์ตาพลาแตกองค์ตาแตกมีเส้นพระจัรภูบาลวีพโสนะพระโสนะเล่งความเปียนประกอบความเปลียนมากตาท้าแตกถ้าจักรภูบาลอดนอนไม่นอนสามเดือน ตาแตดพอตาแตกภาพที่เดิมก็แตกจากใจกันถี่พร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างช้าให้แต่ตาไหนทีจะสว่างมึกกว่าตาไหนจ้ะถ้าตนะูนั่งประกอบความเปลี่ยนฝ่าเท้าแตกพอได้รับอะไรร่วมพระอินทเนี่ย ท, ที่มาแสดงผีผนสามสายให้ ดีให้ดูย้อนยานนะักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดเพราะเครื่องสายพีมพ์อดนีนดังทะเลาะเพอะพื้นเป็นเครื่องข้ามสอนพระสุนทรท่านก็ดิ้นนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัดจุมาวัตถุธาตุบรรุธรรมนั่นแหละฝ่าเท้าแตกหลังจากนันกับกิเลสก็แตก เราวมนมีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมันงนี่เละแตกมั่งวางทุกขังน่างมีปัญญานี่ใช้ปัญญาเนียยาดที่เคยหาว่าปิกรารป็นกปรทิธีปัญญาเมืม่อเร า, านำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อย จเจริญขึนจเจริญขึ้นจะค่อยทำนี้ทานั้ น, นต่อไปก็ค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไ ป, น ไ, ปได้เหอุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านกระจอล้วข่าพิเลษได้เป็นดั่งตอนพิเลษตาจกินตาทุกปัญญานะอ้ามาที่เป็นเคียงว่าตะล่ำหัวพิเศษเข้ามารวมกัน้ะบริเวณเวลาจะฆ่ามีอานาจของปัญญาทำงา น, น ปัญญาเป็นาสาคัญมีไม่อะไรสําคัญย ก, กว่าสติ ก, กปรรัญญาเทาที่บังคินมาเป็นสติกําลังความสมานจ้าของนีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถึงคือปิตันอันตูดจริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใช้ไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใช้ตรงนั้นใชต้ตรงนี้อกใจจะทะลุไปได้เลยปรรยัญญา ให้จินให้จำขยันหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับทังตัวที่ยมีตัวเนเขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามารุ่งอยู่ง่วงวายไม่เข้ามากรอกวนเพราะจิตไม่ปวดเข้าให้คิดความคิดใดที่เป็นไปพวกความสังสมเฉลี่ยเป็นไปพวกสังสมอารมณ์ ให้กอบกวนตัวเองให้ปุจฉะวันนั้นความคิดนั้นเป็นไถให้หยุด ท, ทันทีเหมือนเราไฟมาขี่ตัวเองขี้ครั้งเี่เ่งมันเจ็บขนาดไหนขี้ครั้งที่สองซ้ําแล้วซ้ํำเล่เามันก็เปื่อยไปพองไปได้ีกิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยนันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปตัวเองมันก็เหมือนกับพี้ตัวเองเรืย่ย ไฟพุชิเดคมันก็เผาได้เยอะร้อนนะตติปัญญาขึ้นเปนเหมือนกนลําดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาพายฝืนกั น, นใช่จะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดับที่ตรงนี้เราไม่อยากให้มันจิดมันอยากอะไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักอาตายก็าตาเยเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดเป็นอะไรสิ่ง น, นึ่งแล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่เลยว่าข้ามัน สาบทั้งทั้งทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยไถ่เยอะขนานั้นนะมันก็ฟาดมันมาแรงๆจิดมันก็อยู่มัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อบท่าต่อบสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงเลยพูดถึงเรื่องว่าปัญญารูปสมาธิมันเป็นขึ้นมาได้เองจิตเป็นอยนั้นนานไม่อยากจะลงมันคิดไปเลื่อยหลังๆที่เรื่องนั้นเ่อนี้ มันเป็นเรื่องเคยแต่เพราะม่เคยเคินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บางครั้งมันเชื่อธรรมด้วการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำมันเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตามอจะไปไหนตามไปแล้ตามค้นกันค้นกันรู้เลยเนี่ยก็เข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงจริงสงบราบเลยเดียวเห็นผลแลอ๋อ งาจิตมันดื้อนี้ต้องตื่นต้อนด้วยปัญญาสงหบด้วยปัญญานี้อาจฐานมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอติจักรของจิตที่เหมาะเพราะยอมจำนนต่อปัญญาน่นแล้วมันก็ิ่ได้นังสือเราว่านังสือที่ว่าปัญญาโดยมาี่ขึ้นมาทั้งหลายเขียนว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาลมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ ปิบัติอย่างนั้นแล้มันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นก็ต้องเขียนตามสายเหตุที่มันเกิดออกที่กคนก็งงปัญญาลงมาธิแต่พาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าขุนวกรณ์อยู่ที่เนียวัดพองนิ่เนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองวัดบ้นานดีว่ากลามวัดเรา ง, งานที่ติดกันกันกนกบโรงพยาบาโลโรคปอดเนี่ย ถ้าพัานได้มาจากไห น, ห น, นไม่รู้งูนี่เนี่ยนังเรื่องปัญญาบวัวแต่ว่าปัญญาโลนมาธิหม <c oughs> นัห น, นัห น, นังมาบัวเจ๋งกว่าครูเลยพะพุทธเจ้ากมาี่อบรมปัญญ า, าแสดงที่หนึ่งมาี่อบยาทาไมหาบัวเจ๋งกว่าครูวะหนัยมาดูหนังก็สาวุทากับรามช น, นิดกันเคยเปนมานอเยปเทศแล้วไอ้มาดูหนังทําไมมันเจ๋งกว่าครูนัมหาบัวจริงวะท่านสากระเท้ากัพอมาดูเอ๊ะเท่าคนเท่าคนเลยนั่ง อ่านอยู่ขณะเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีนะฮะเข้าทีเข้าทีนะยอมรับนนี่ยมีท่านนักมัธาปภเป็นนะอ๋อผมเคยค้านธํามหายนะมอามาในในในผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนผมใไหนมหาวิทยาเก่งกัครูเลยหรือผู้ที่เจ้าของเรา็นูมหาวิทยาลเก่งถู่วะหนมาดูมาดู ออามาพออา่านไปเอ๊ะชาบคนเอ๊ชาคนชาบคนไปฟาดตลอด <Okay. S 1> อ๋อเข้าทียอมละคือใ น, นหลักอันนั้นท่านพูดถึงภาา ท, ทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นทา น, ทานพูดฉันสมาธิปริทานตาที่าปริทาน ที่ตาปัญญาที่ริภาวิตโตสมาธิมหาพลโหติมหานชังโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังชาอ้อที่เราไปิภาวิตโตสมาธิมหาพลูโฮติมหานิชังโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโฮติมหานิชัง้าปัญญาปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจจะหิมุจะติสมาธิเมื่อสิรมแล้วยงมีผลมาหนสัมมา ปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วจะมมีผล ม, ม, มากมายสูงมากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วจะอหลุดพ้นจากที่เด็กทั้งปวงโดยชอบแปรตามจะบท่านพูดเปน็นลำดับลำดับศีอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปรเรื่อยจนถึงปัญญาปุญญาป่จิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทลมันพลิกกันปัญญาลงมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอบ จะปัญญาจะรู้สมาธิตลอดไปเป็นบางการจิุดเวลาหยุดมาทึกคณรงดื้อด้านงั้นเอาห น, น้นนรรมชาติมันได้ผลดีแต่ต้องเอาปอัญญาจริงจังนะเจาะกันเลยเหมืน ม, มวยเต๋อไม่ได้อตอกเวทีถ้าอย่างนั้นไม่ที่เร็วตอกเวทีจิตเหมาะเนี่ยเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่ ถึงการทุกควรจะนําปัญญามาตีตน้นอีกการที่มันพุ่งซ่านให้มันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทําจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดไว้ตรงกลางก็ทําเราทําเพื่อให้ได้ผลเพื่อทําทําเพื่อประโยชน์อนนะไรจกได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใด เรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลาัานั้นนะคือเรยว่าเหมาะสมงอุดมเนื้นนนอธม า, ธาทาาี่นี่เราทำงานจริงเรากลา้าติดทำงานจริงธรรมะที่ทำงานไดา้คนตุกทางนานปัญญาไปอีกเนี่ยมนอนทางานปัญญาเนี่็เป็นธรรมจักรไปลเลยเ การพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกัเรื่องรูปขันรุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำน้ำโจนจากภูเขาเสียงล่่างอะว่าับเทียมเพราะเรื่องฆ่าขันเป็นเรื่องยางรูปประขันมันยากปัญญาแก้เรื่อรูปประขันนก็รุนแรงผ่าผลมากอย่างพอไปทุนามาขันไม่เสร็พวกเรีนนาปญญานอย่างนะมันก็ค่อยเบาเบา มือนกำลังทรัพน้ำถึงแต่ไม่หยุดนะเหมือนกำลังทรั น, น้ำพินที่หลยอยู่ทั้งแรงทั้งฝไม่มากแต่ไม่ขาดรักขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นอะไรละเอียดรอ่ินละเอียดนิล็ละเอีย ด, ย ด, ยดปัน ญ, ญาเขาต้งละเอียดเหมือนกับม้ที่เข้าถือความละเอียดแล้วต้องออกอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพัวงพว่พวงไปเรยเวลามันหยากจะเอากบไปใส่ไม้ทุกต้นไเวลา ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะไสขบหรือถึงใส่ารพิจารณารูปคือกายร่างกายขวานที่จะแยกแยกกันออกได้เห็นกระจังมันก็ต้องใช้าปัญญาแบบขวานถากไ ม, ม่ได้เอากันอย่างหนักอย่างผ่าผุนตึงจริงมีพอเข้าไปขั้นพิจารณาปัญญาทางกายวิญญาณที่มีแต่นามารรมนับลนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนเราเอากบ สายไม้จะไม่ได้ายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานแล้วยิ่งก็อะนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่ร่มรืม่นผู้กลางฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปม่ได้ ทำให้อิจฉาเราอาใจาจะเป็นทำไม่ได้ต่ำห<ม>นิอำนาจศาสนาตัวของไอ้เร<ม>าจะไม่ไหวนะอำนาจศาสนาน้อยไม่ม้ศาสนาอะไรแนละ้วเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนัน้นเราไม่สัตว์น้อยจะทําให้มันมากพี่หนักถ้าเป็นนักโรคนักต่อสู้เพื่อมาผุนผ่านเพื่อเอาของเกศศรริษย์มาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอา้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เรามาฟ้องแทนสิ่งที่บกคร่องเพื่อความสมบูรณ์ศาสนาอยู่ที่ตรงไหนะ เวลาอยู่ว่าอยู่เฉยทำไมเลิกค่อยทตามวเดีทำไมไม่ว่าวัสนาน้อยละ่ะนะฟัดกัไปฟัดลงไปมัได้ความเาป็นธรร ม, มะสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดคิดคิดว่ามันจะเป็นไปาดขึ้นสติปัญญาจุมมัดถ้าเป็นขั้นพุทการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้อง ได้บังคับบัญชานอกจากล้างเราไว้แบบนั้นเพราะจะเลยเถิดเช่นอุทุศอุทจักอุทจักในสัญญาบุญบุญเราอุทจัก้วยจา ก, จา ก, จากแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสัญงญงาบุญบุญคืออะไรการมาลารูปราคาอวิ ร, ราฆามานะนาอุทจัอวิชชาสั ง, งยญญเบุงบนเราไม่เข้าใจรูปราคาลุปราคะรูปราคาที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี้นะ เวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือการนี่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพร่างกายนี้ไปอยู่ภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราคอยไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจทัดแล้วภาพภายในที่แบบรูปร่างคือคํามยินดีพอใจ ไม่ได้เหมือนว่าอราคะแบบการมุขยดทั้งหลายนะรูป ร, ราคาอันนี้น่ะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์ น, นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เดียวกันทั้งกต่เลยวา่ารูป ร, ราคะคือมีความพอใจปิดใจอยู่ในรูปภาพภนนายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสละ สัตวลัดงออกมาแล้วเพราะ ค, ความรู้แจ้งเลยปัญญาแล้วมันก็นำอรูปภาพอันนี้เข้าไปอยูภายในิตปุงเหนือภายใจิตพอปุงขึภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนขึ้นมาเข้ามาถึงถึงใจมาดับกันที่นี่ปุงภัพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ท้าไปทั้นโอ๊จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไป ลูกาคะนี้่หมดอาลูภาลคะคือาคายินดีในะสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาและอิจตุไฟมาจิตอาลูกาคะมาหน้าคือความถือจิตดวงนั้นแหะดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันภาหงุดแล้วทุก ส, สิ่งทุกอย่างรูปมันก็ภาคอะไรก็ภาคจนภาคจากกันไปแล้วเป็นคนละที่ละอดมีจิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้น มานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละเท่ากับมานะก้ามันเข้าใจใ น, นทาใ่าปฏิบัติมันถึงด้ชัดเนี่ยเข้าใจในท่าปฏิบัติหาตรงสายไม่ไดนะ้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะับมีความสว่างกระจ่างแจ้งนี่มันก็ทําให้เกิดความ อ, อ่อยอิงเกิดความติดความพันความผพอพอใจนี่เราเที่ยว่ามานะคือความพอใจหนึ่งเป็นๆอยนถืออยู่นั้นฮะก็เมือ่อ พอเพื่อนสูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองคนั้นมีจิตภูมินั้นบนนี้ก็คิดอยากจะเอาหนี้เครียดอย่างองนั้นจะเสมอเราหหรือต่ํากว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดงนี้ยากแตสมมุติว่ากิตต่ํากว่าร่อนั้นก็เข้าใจว่าต่ํากว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขา เสมอเขาว่าอย่งนี้ยิ่เขามั่งอะไรรวมนี่มันเป็นมานาคาโอ้ ค, คือความถือความรู้ น, นี่เนี่ละตัววิชาแท้อ่าเราไม่รู้พรหมพิรามันกินติดได้พันกันนั่นสนิทสนมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่องนางนอนเขาว่านางบังเหงาแล้ววาดภาพอาวิชาวาดเป็นเสือโครงเสือดาววาดภาพเป็นยักเป็นผีมาอาวิชาเป็นอย่างนั้นนั่นเห่อ เวลาเข้าถึงตัวอวิชายจริงๆเขาถูกกล่องให้หลับส น, นิทแม้จะมหาสีมหาปัญญาที่หมูตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นอุปรกรณ์ ร, ร, รักษาจิต ด, ดวงนี้ก็เลยทำดว้วยจิตดวงอวิชายลืมเนื้อดื่ตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชายจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างยาหยากเรายังหลงนบริษัทบริวารของอวิชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะ มันดำหยาบโกรธก็เห็นมีแค่ตาดำตาแดงไม่ก็ยังพอใจโกรธเยี่ยงอยู่ น, นี่เรื่องของกิเลสแล้วกิตเพิ่มไปทํางนั้นแหะขึ้นชิว่าเรื่องของกิเลสแล้วกิดเพิมนั้นเพราะเคยเชื่อมันม า, มาไม่คิดว่ามันเป็นท้ายต่อตัวเลยโกรธให้ขอตาดำตาแดงจนเครียดจนแฉ่งจ น, นกับฆ่าเขาได้แต่เยมันเป็นของดีนะคือความเชื่อกิเลสมันเป็ ให้พอถึงแล้วนี้หยาวไปนี่มันหมดไปหมดไปหมดไปในที่นี้เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแค่และที่ตัวกัษตรแต่แค่ละ uh huh. อสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโน ม, มัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลทังมันเป็นได้นไปนรักษาจิ่ตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาตั้งผาดมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมอะไรมาแตะต้องนี้เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นละคือรักษาวิชาวิชานองเหนือมหาสติปัญ มหาปัญญา อ, อย่างนั้นะม่นติอย่างนั้นได้เอาวิชาในเนื้อมีเล่หเหลี่ยงความขนาดแหลมผมยันจิตเออยังเนือ้อพระติปัญญาอยู่ในขนาะนั้นพระจิปัญญาแม้จะเป็นขั้นมาได้นอปัญญาก็ตามยังอวิชาในงนือ้อจริงต้องติดจงต้องหลงกลอวิช า, าเดี๋ยวมานะที่คาอุทจารสมาที่การโค้นการที่มีปัญญาฟง จิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่ได้แต่ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเพียรก็เพียรแต่จิตไม่ยอมถอยนี่แต่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคําว่าแพ้ไม่มีฮะแค่ให้ประาันี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคําว่าแพ้มีไม่ได้นู่นี่ลราที่ทําให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่าน้ําคานไปตามโลกตามภาษาดูเสียงดูรถกลากภาษาไม่มีอย่างนั้นไม่มี มันเินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เด่เเินจนเินเนมื่อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันลักอันหนึง่งอุทธะหรือวิชชาน่งนึ่งยุทธะอวิชชาตังนี้นนนอวิชาชาก็คือตัวนั้นแหละมาณมันถือตัวนั้นตัวของของสายสายตัววิเศษวิโสจึงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวส น, าพาพวน่าผ่าเผยมาณมันถือตรงนั้นอืม นั่นแหละคือวิชาหลงตัวเองนั่นนะสติปัญญามันพิจารณ า, าทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสียมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงๆว่ามันรู้จริงมันกล่อยจริงๆนะพิจารณาลูปเสียงกิ้วร่อเครื่องหมายมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสมัยไม่ขาดไม่ยั้งมันก็ไม่เอาก็าไม่เข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติด ใ, ใจอยู่ใน ความสว่างกระจากแนบในจิตทองใสเหนียมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่าน้นเขา้าเรื่องอวิชชาเ น, นก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่อต่ออณี้กางสังการได้ยังมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับหิรุธได้เกได้ลงถึงขั้นสัมมาวิมชาปัญญาแล้ว เมื่อรักษาอนแต่นานแตนานแต่ที่นานอรนั่นก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวร่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะโผงใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้ามองตามพันของจิตอันละเอียดตามขั้นั้งสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับคู่กันได้เอ๊ะถ้ามันมันมี่ทว่ามันเป็นลักษณะเฉาเฉาแล้วมำไเป็นลักษณะเหมือนทุกคือทุกกระทุ่ยละเอียด ทุกขั้นนี้ทุกละเอียดจับภาพได้เฉพาะมหาวิสนะิทิ์มาวัญญาตั้นะสักที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยอเมื่อมันจับได้นี่ทําไมมันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกและเดี๋ยวว่าผ่องายเดี๋ยวว่าสามองคือเศร้าหมองเศ้ า, ามองตามขั้นของวิชาอะไไม่ใช่เศมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่มหามหาวัญญามันรู้ทันมันก็จกับจิตนันเข้าไปเอ๊ะทําไมเศร้าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ระยะทําไมมันตีแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาเนะ ถ้ามันก็ติก็เกิดความสนใจอย่าง น, นะถ้าติตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวธรรมทัง้งหลายอันนี้มันอาานะไรนะที่นี่นั่นเป็นเป้าหมายของการพิจารณ า, นานมันพอพอจิตมันต่อเข้ามาอ่าย่อนความสนใจเข้ามาสูจุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณานเข้าไปเหมือนกับสภาวธรรมทั้งไไหลายน้าหนอที่นี่มันจะเป็นไปได้ไหมนี่มันอะไรกันนี่มันพิจารณาแล้ก็ ฟังเจ้ามหาวิชาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุะไปเลยมหาวิชามันจะทนได้ไเมื่อตั้งแต่พิจารณากันนอกจากรักษาองนี้เฉยแล้วเจเข้ามางนั้นมันก็พังกระาหมดพอวิชามันสลายส่วไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใสนั่ น, น, นละตัววิชาแท้ฮ ม, มันมันไม่ได้เป็นเสือโครงเสือดาวนี่ไงมันเป็นนางบางเงา เหมือนนางงามจักรวาลทาอ้อยทำให้อ้อยอิ่มผิพันพอนั่นสลายลงไปแล้วอันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้อันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอริชาธิว่าดีๆพิเศษที่สุดเมื่อเที่ยวแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายมาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้หนีเพร อ, อันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบดีจนกับเมื่อไหร่ นั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปกดีสาวุกท่านบรรลุธรรมปฏิธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนล้วนแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวพนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนล้วนแล้วนั่นแหละ อันนี้อาจจะจย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันนะหรือนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดท่าทยแล้วเห็นเพือ่อนของตัวเองก็เห็นตรงนี้อโอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้ยังไง สอนให้ใครรู้ไม่ได้ล้ขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงท่อปั ท, ยท า, า, ายทําคลองสงไส้น้อยทั้งทั้งจิตจารสนับเป็นศารดาของโลกเพื่อสั่งสอนจัดโลกดีแล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมมรชาที่อัศจรเกินข้าเกินหมายเกินสมมติยมทั้งหายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท่อปัทายเพราะในขณะนั้นไปเจนเโดยจะพาะยังไม่ได้พิจารณากั้วของออกไป แต่ก็ไม่นานฟะังจากพระพุทธเจ้าส้าใครจะสาดแย้มผม่กว่าพระองค์จานั้นมาเขาเหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้อืก็คงไม่ผิดกันเลยน ะ, ะถ้าว่าอโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอาจารยขนาด น, นี้ทําไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทําไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งไปหลายอย่า รู้ได้เพราะปฏิปทาที่ก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทําไมโลกจะรู้ไม่ได้ละ่นะหนักทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดําเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อการสอน วิธีการให้สัดโลกทาพแล้วทำไมไนจะรู้ไหมล่ะอ๋อเหมือนอย่างนันนะ อ, อ๋ อ, อ, อ, อ, อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแก่พระไถ่ที่จะถึงสอนสัตโลกแล้วก็เป็นพระใดเนไงท้าวสาวท่ามหาพรหมมาลตนาพรมมาจรโลกาที่นี้ที่วัสามพรปินั้นเบื้องต้นขึ้นเป็นทรราริษายุางบงซะกอ่อนคือพอ มีแาบวิทยสัารสอนสันโลกด้วยเหตุผลทางพิการมาเนี้ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มวิทยาไที่จะสั่งสอนสั่โลกก็พอดีทาม้าพรมเป็นนันเป็นมาแล้วพมมาจะลูกาสั่งสอนสั่โลกแล้วทรงเล่งยานบุใครจะรู้แจ้งเหจริงในธรรมตัวนี้ได้ง่ายเร่งไปถึงดาบทั้งสองอุตก่าห์ราบุาวบุทั้งสองอยากรอร้า ในกำลาก็มีแต่ผมลืแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียแต่เมื่อวานนี่ว่าตายเนี่ยหมดหวังเลยทําริตายแล้วหมดหวังพวกเรานี้ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลาราทำมากุศลารามามเนี่หอบไปขึ้นสวรรค์นิพพานไปพระพุทธเาพอตายโอโ์หมดหวังพ็เร่งยานด้านหลังไงกรรม ก็มาถึงเป็นตับสีทัง้าออกพวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสดงตรงหน้ามาผมว่เป็นดาวสีทั้ง้าแสดงทำมาจับตับตั้งยาสิ ง, าาปปงเป็นพระอนยาคนเนี้ยได้ดวงตาผัทำพระอนญาช่วตะโบคนนั้นอนญาช่วตะโบคนนั้นไอ้นนคนโถคนนั้นจะจ ะ, จะชาา่างดีกาลังทำมัพุ่งออกตาดะ ยันติจีนจีนขึ้นได้ยิ่งกำังสัมบต่งนี้เราทขนาดนั้นทางญาณคนนี้ได้เป็นอุทางขึ้นแล้วด้วยความนิจเกิดธรรมจักรขึ้นเมื่อทางยิ่งกำลังธรรมจะุอุตตานั้ันก็ขูอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนั้นเลยเกิจากความมืดบางนั้นนกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมาก ยังมีสิ่งอะไรทําบางจำบนยยันไดโยทาบางทิ้ ง, ง, งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจทิ้งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงจัจทิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นแต่นั่นก็แสดงอนัตตาละอนัตติกล้องปณิสัยจนกระทั่งถึงบันบลุทงัง นี่คือสักยิปยานของอพระพุทธเจ้าและพระโองคเองก็ได้ทรงเป็นบุษานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากมณนนไปเทรวนันเดวานุภาวัง อ, อันตะโคนิอตะโคปะ ก, รรกรวาอุดานังอุดานีสิพระองค์ได้ทรงเป็นบุษานขึ้ น, น, นแล้วในขณะนั้น ญาติเพื่ตะโพกคนันโยญาติเพื่ตะโพกุนันโว่าพันญากรณโยรู้แล้วหน่อยรู้แล้วหนอมีทิฏทางอาญาโยคนนั้นอาศัยอาญาคนโยวัตเตวิวัตนามาโฮที่โดยอาศัยเหตุนี้พระอาญารณโยจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต๋อในธรรมจักรตะโพาสิแต่นั้นก็เสด็จ ธรรมะจะอ่านแสดงอนตัตตาลพนาสุสรู ป, ปังอนัตตาวิเทนานัตตาสัญญาลังคาลาอันงทุกข อ, อ น, นัตตาเรื่อยไปยแต่สำหรับถูนนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดขัดข ด, ดีนะมผมพูดงงงงเลยอยอมรับน้อยแต่เป็มอยางหาที่ฆ่าไม่ได้ก็คืออนิกกาลปฏิจักอนิกกา พ, พยาเยสุถึงมรณะนี้ปีเนีิสุทำเมรุปีิดีอือ มโนวิญญาณในปีบินจิตมโนทั้งตับแตปีบติยามปียาวั้งแต่มาโนยามปีนอจากงยาปฏิยดัการสุดข้างวารุข้างวาดข้างุข้างวาตังปีเบตินี้ปีดำมีราสติราทายนี้ัะติมีทั้งนี้มุตมีติญาณหหติเบื่อน่ายในทําเบื่อหน่นในธรรมะเบื่อนายิตเบื่อหน่าในรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิเบื่อนาในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิกเบื่อนายใน เบื้องนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื้องนาเป็นองค์รวมตั้งที่ปีเบื้องมาเชทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้น่ะนี่บิดังวิราชิติเมื่อเบื้องนาแล้วย่อมคายกาหนัดเมื่อคายกาหนัดจิตย่อมได้พ้นอันนี้แหมเราซึ่งเพราะการปฏิบัติขอกเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนตะนาสนันสุดนี่พอถึงขันห้ารูปเบืนาสัญญาตังขันวิญญาณวิญญาณที่ปีวิราชิตินี่บิดังวิราชตินี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่ง เราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอันที่ศสตร์วิทยถูกเราหาที่ค้านมาได้แล้วยอมํานวณไม่เกิดแต่ส่วนตั้งแตกว่าสูตรนี้มีข้อยขัดกันเราจึงดึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงกันเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเจติอาจารย์ท่านนะครอาจจะมาทำมํำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระเจ้าคงแสดงแก่ เป็นจังหวะคิดลานนั้นผมแน่ใจว่าถึงเวลาสมิงปีนี้มีสติเหมือนกันลูกไปทาวนาภาวนางขันยานแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปทีงไหนจิตมันอวิชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห่าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติลูกไปทาวนางขันยานตั้งขันยานลูกเท่าแล้วนี่บางที่ผมอธิบายตะกี้นี้นะลูกเท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชามอวิชากอบจิตนั่นถ้ามันเข้าอย่างเข้าถึงแล้วอวิชาจะแตกแต่ไม่ได้นี่ที่มันข้านกันะ มันต้องมัดยิ่งปีโนนต่างๆเพียงรู้เท่ากันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากรรมัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถืออจิตกับวิชาที่มันผัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปนั่นยิงต้องไปพิดนานนะอยู่แล้วไปอวิชานั่นแตกกระจาจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยอหายสงสัยน่ะันี่ละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านในอย่างจังๆ ด้วยความแน่ใจที่นั้นมันรวมกันได้รวมได้อยา่างเชื่ออะไรอสิริปัตสปะรสมาสอัปสุดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยะภูมิตัวไหนที่มันแยกมันแยกกับอ่าทางบัญญัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมารวมมันก็รวมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอาฆาตกระค้านกันถึงจะแยกกันแยกกัน เมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติโดยของรูกก็เห็นก็ให้ทราบว่ามันผิ ด, น, ด, น, ผดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมานอย่างนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติโดยปฏิบัติอย่างนี้แล้วลูกเห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผปิกแยกกันก็ปีกอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้ น, น, อยอยนี่โดยเัาปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจของเราเป็นอบ่านั้เมื่อลักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกัน พูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นนะเอาละแค่นี้เรากจำไม่ได้จริงไม่ทราบขึ้นตน้นลงไปที่ไห น, นเอาธ ร, รา่ปัญาจะอธิบายบุ้งบาง ไ, ไปใหญ่